เราก็ได้มาปฏิบัติธรรมกันเนะเาะเหตุใดที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมกันเพราะ เ, าเหตุอะไรเนาะอันนี้ถ้าเราศึกษาในพุทธศาสนานี่คำสอนของพุทธเจ้านี่มีเยอะมากถึงว่าอาจจะมีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรมรมขันธ์ันนี้เนี่ยถ้าเราจะสรุปให้ย่อลงนะจะมีอะไรบ้าง สรุปให้ย่อลงจากคําสอนพุทธเจ้าทั้งหมดนะก็จะเหลือแค่สองอสองประเด็นเท่านั้นก็คือให้รู้จักทุก์นะแล้วก็ต่อมาก็คือให้ปริบัติเพื่อการออกจากทุกเนะี่ยมีสองอย่างเท่านั้นเองนะมันจะได้ไม่เยอะเกินไปคราวนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี่นะส่วนหนึ่งเราอ่ามีความเห็นทุกในะตรงนี้ไหมนะอ่าเราเห็นทุกในะตรงนี้ไหม ตรงนี้สำคัญนิสุดนะถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเนี่ยหนทางอ่าต่อไปเราจะรู้ว่าเราไปบัตรก็เพื่อความดับทุกข์นั่นเองนะแต่ถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ในตรงนี้เราก็การบัตรของเราก็จะ เ, เป็นไปด้วยความอ่านะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะก็เราจะขาดพลังในการปบัตรนะเพื่อออกจากความทุกข์นะ ความทุกนั้นมีอะไรบ้างนะก็มีความทุกกายและทุกใจความทุกกายนะก็มีความทุกในในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เราได้ตรวจมนต์ตอนธรรมชา้าทุกวันชาติปิทุกขาชราปิทุกขามเรนนำปิทุกขังความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุก โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุขาความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความพัดท่าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขเนาะแนวความทุกเนี่ยก็มีความทุกกายและทุกใจนะความทุกกายนี่ก็มีความที่เราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นธรรมด า, าเราหนีไม่พ้นนะอันนี้ก็คือความทุกในสังขาร น, นะเราหนีไม่พ้นเลยนะไม่ว่าเราจะห น, นีอย่างไรก็แล้วแต่หนีไม่พ้นแน่นอนนะ เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดูคนนอกรากนีงง้ก็มีความทุกข์ที่จอนมาอีกนะนะบางคนตอนนี้อาจจะเริ่มปวดเมื่อยนะบางคนอาจจะเริ่มง่วงนอนนะอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายต่างๆางนะรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกหนาวนะรู้สึกหิวนะต่างต่างเานี่ก็เป็นความทุกข์ที่จอเข้ามานะความทุกข์ที่เกิดทางกายนี้นะ เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงแล้วเราละไม่ได้ด้วยะเราจะหนีไม่พ้นเลยอย่างเช่นเราหิวเราก็เพียงแต่เราทานอาหารก็หายหิวแต่สักพักนึงเราก็หิวใหม่ะเราง่วงเราก็ไปนอนะเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาประเดี๋ยวก็ง่วงใหม่เราปวดเมื่อยเราลุกขึ้นมาเดินเดินเดินประเดี๋ยวเราก็ปวดเมื่อยก็ต้องไปนั่งะก็ต้องเปลี่ยนไปไปนอนไปเดินไปยืนไปนั่งเปลี่ยนกันอยู่อย่างเช่นนี้อยู่เรื่อยๆ นะบางทีเรามีความร้อนนะเราก็อยากจะไปอยู่ที่เย็นนะอยู่เย็นๆนะเราก็ต้องกลับมาออกมาเผชิญความร้อนใหม่นะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางกายนี่มันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขที่เาบ้อนไม่ไดนะ้เป็นแค่การบรนเทาเท่านั้นเองนะเป็นการบรนเทาชั่วคราวเท่านั้นเองนะส่วนความทุกข์อีกตัวหนึ่งคือความทุกข์ใจ ความทุกข์ใจนี้เป็นความทุกข์ที่จริงๆแล้วมีความยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์กายนะเพราะคนที่มีความทุกข์มากๆนะลึกไปค่าตัวตายมากๆนี่เกิดจาความทุกข์ใจเนี่เป็นหลักนะเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่ฆ่าตัวตายนะก็จะความทุกข์ใจนี่เป็นส่วนใหญ่นะอย่างคนที่พิการตาบอดหูหนวกต่างๆนะไม่ค่อยจะฆ่าตัวตายหรอก นะแต่คนที่มีความทุกข์ในทางใจมากๆ ม, ม, มีความผิดหวังมีความน้อยใจเสียใจนะนึกสิ่งใดไม่ได้สมความหวังนะตั้งความหวังแล้วก็ไม่ได้นะสิ่งต่างเหล่านี้ทำให้คนฆ่าตัวตายกันมากมายนะหนุ่มสาวก็ฆ่าตัวตายกันนะเพอเห็นนี้นะหรือเศรษฐนะีที่ร่ารวยเป็นคนเรียกว่านะอาวิวัตคบอุดมสมบูรณ์นะก็ฆ่าตัวตายเพนะราะจากการที่ เศรษฐกิจที่เสียหายไปนะติดใจก็ทนไม่ไหวทั้งๆทงี่ตัวเองก็มีเงินอยู่เยอะแยะก็ฆ่าตัวตายกันมากมายนะญี่ปุ่นนี่ฆ่าตัวตายปีละสามหมื่นกว่าคนอเมริกาประเทศเจริญนี่ฆ่าตัวตายเยอะมากแต่คนที่ยากจนจริงๆเขาไม่ค่อยจะฆ่าตัวตายกันนะความทุกข์ใจอนี้มันมีหลายๆอย่างนะนะความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เป็นหัวหน้าใหญ่นะที่นําให้เรามีความทุกข์กายทุกข์ใจนะ ความโลภนี่ก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าใหญ่มีลูกน้องเยอะแยะนะลูกน้องก็คือราคะทั้งหลายแหล่นั่นแหละอความชอบใจความยินดีความพอใจความอยากได้ความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายอันนี้ก็เป็นลูกน้องของความโลภโทสะหรือความโกรธก็เป็นหัวหน้าใหญ่นะก็มีลูกน้องเยอะแยะเลยมีความหงุดหงิดนะ ความไม่พอใจความเครียดความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความน้อยใจความเสียใจความหึงหวงความเกลียดความกลัวความอิจฉาความเหงาความที่เราที่เราประสบในสิ่งที่เรามีความทุกข์ใจต่างๆนี้ก็เกิดจากโทสะนี่เป็นส่วนใหญ่นะมีลุงน้องเยอะมากโทสะความหลงนี่เป็นหัวหน้าใหญ่นะ หัวหน้าใหญ่ยิ่งกว่าความโลภและความโกรธเองเพราะความหลงนี้เราจึงหลงเข้าไปโกรธนะหลงก็ไปรักไปชังหลงเข้าไปโลภนะหลงไปอยากได้เพราะว่าความหลงนี่แหละเป็นหัวหน้าใหญ่น ะ, ะความหลงก็คือการที่เรารู้ไม่เท่าทันว่าขณะนี้เรากาลังทำอะไรอยู่นะไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนไม่รู้ว่าขณะนี้กาลังคิดอะไร ไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นะที่มันจะโน้มนวเราไปสู่ความโลภความโกรธความหลงโดยเพราะการที่เรารู้ไม่ทันความคิดความคิดนี่แหละถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วมันก็จะนําความทุกข์มาให้เรานะเ้าเรียกว่าเราหลงเข้าไปในความคิดนะเมื่อหลงเข้าไปในความคิดมันจึงไหลไหลไหลเข้าไปในความโลภความโกรธต่างๆอความพอใจความไม่พอใจความรักความชัง ความอิจฉาความเกลียดความดิสยาความพยาบาทนั่นมันไหลเข้าไปเขาเลยเรียกว่าหลงแล้วก็ไหลนะหลงไหลนั่นเองนะถ้าเราหลงมันก็จะไหลเข้าไปแต่ถ้าเราไม่หลงมันก็ไม่ไหลนะเพราะฉะนั้นความหลงนี่จะเป็นหัวหน้าใหญ่นะครั้นี้นะความความทุกข์ทางใจนี่มันมีความร้ายแรงยิ่งกว่าความทุกข์ทางกายแต่ก็น่าแปลกนะความทุกข์ทางใจนี่กลับเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ สามารถที่จะทำให้เขาหมดไปได้นะซึ่งต่างจากความทุกข์ทางกายที่เราแก้ไขจริงๆไม่ได้เราแค่บรรเทาเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมนี้นะเราไม่ได้ไปฏิบัติเพื่อการแก้ทุกข์ทางกายนะแต่เราปฏิบัติเพื่อการแก้ทุกข์ทางใจนะพระหันนะท่านปฏิบัติธรรมแล้วนะท่านก็สามารถที่จะนะแก้ความทุกข์ทางใจได้เด็ดขาด ก็คือใจของท่านไม่ทุกข์แล้วท่านก็มีแต่ความทุกข์ในทางกาย <c oughs> ในทางกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะมีความทุกข์ทางกายแต่ทางใจของท่านก็ไม่ได้เสวยทุกข์ในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามาเ ป, ปิธรรมนี้นะก็ต้องจับประเด็นให้ถูกว่าเรามาแก้ความทุกข์ทางใจกันนะนะคราวนี้ถ้าเราเริ่มเห็นประเด็นละเออมันเริ่มง่ายขึ้นแล้วเนา ะ, ะพุทธศาสนานี่ก็มีแค่สองอย่างนะก็คือให้เห็นความทุกข์ ต่อมาก็คือปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แล้วก็เป็นการดับทุกข์ทางใจเท่านั้นเองนะพอเราเห็นเช่นนี้เราก็จะเริ่มง่ายขึ้นล้นะความทุกข์ทางใจเกิดจากอะไรนะปัจจการทีทเ่เราตาเห็นรูปนะตานะคืออายตนะภายในกระทบรูปซึ่งเป็นอายตนะภายนอกนะเกิดความยินดีเกิดความพอใจนะเช่นเราเห็นรูปที่สวยนะ อาจจะเห็นผู้หญิงคนนี้สวยอน่ารักเราก็ไปชอบเขานะเห็นผู้หญิงคนนี้น่าเกลียดเราก็ไม่ชอบเขาหรือเห็นคนนี้นะทํากิริยามารยาทไม่ดีเราก็ไม่ชอบเขาอนคนนี้กริยามารยาท เ, เ, เรียบร้อยเราก็ชอบเขาอันนี้ก็คืออความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นทางตานะเรารู้ไม่เท่าทั น, นก็จะนําความทุกข์มาให้เราก็คือความชอบและความชังนั่นเอง บางคนบอกเอ้ทําไมความชอบหรือความพอใจเป็นความทุกข์ล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่เที่ยงนะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งใดสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็คือความทุกข์นั่นเองนะพระเจ้าได้เคยถามปราชญ์วัคคีสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าเนาะเพราะฉนั้นความชอบความยินดีความพอใจก็เป็นความไม่เที่ยงจึงเป็นความทุกข์นั่นเองหูเราหูเราได้ยินเสียงนะ หูเราเนี่ยได้ยินเสียงคนมาชมเรามาสันเสริญเรามายกยอเราเราก็พอใจะพอได้ยินใครมาตําหนิเรามาด่ามาว่าเรามานินทาเราเราก็ไม่พอใจนมันก็นําความทุกข์มาให้เร า, านั่นแหละนะทางหูนะทางลิ้นนะกระทบรสนะเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นนะก็นําความทุกข์มาให้เรา นะทางกายนะก็กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งนะสิ่งเหล่านี้ก็นําความทุกข์มาให้เราเช่นกันนะจมูกเราได้กลิ่นนะได้กลิ่นนะหอมหรือเหม็นก็นําความทุกข์มาให้เรานะใจของเรานึกคิดในเรื่องต่างๆนะไม่ว่าจะนึกคิดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะ ไม่ว่าจะคิดในเรื่องที่เป็นความสุขตั้งดาดเด็ดที่ผ่านมาแล้วโอ้มีความสุขมากเลยไปเที่ยวกับใครมีความสุขมากหรือนึกไปในอดีตนะไปถึงเรื่องคนเขรมดาเราเมื่อห้าปีก่อนนะมานินทาเรามาว่าร้ายเรามาประจานเราทั้งทั้งที่จริงๆมันก็ลืมไปแล้วแต่เราก็ไปขุดคุยขึ้นมาโดยจิตมันขุดคุยมาเองนะเราก็มีความทุกข์อีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นความรักความชังมันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะมันนีไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะ อาจารณะทั้งหมดนี้มันนําความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นป้าหูจุกม่ลิ้นกายใจนําความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นดังที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะไม่ใช่มีความสุขเลยแต่ความสุขที่เราเห็นมันจริงๆมันก็คือความทุกข์ที่มันน้อยลงเท่านั้นเอง อันนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีแต่ความทุกข์เท่านั้นนะความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความสุขเลยนะจิตจะได้มองเห็นว่าโลกนี้มันน่าดิน้นรนออกจากความทุกข์แต่ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์เราก็จะจมอยู่ในความทุกข์นะเหมือนอย่างบางทีก็เคยชวนคนมาปฏิบัติธรรมเขาถามว่าจะแบบทําไปทําไมเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์จะน้อยลง เขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะเออนั่นแหละเป็นคําตอบของคนส่วนใหญ่นะอ่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องการไปบัตรทาอะไรหรอกแต่ว่า เ, เขาต้องการความสดะดวกสบายมากกว่านะเพราะความไปบัตรทาในจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการที่เรียกว่ามาฝึกมาผลตัวเราเองนะให้อยู่กับสิ่งที่เราหน้าเบื่อหน่ายนะอ่อเพราะทั้งคนที่ไม่ชอบความเบื่อหน่ายก็เลยไม่อยากจะมาตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเขาไม่เห็นความทุกข นะเมื่อไม่เห็นความทุกข์ก็ไม่ดินรนออกจากกองทุกข์อย่างเช่นทีพระเจ้าได้ทรงตัดเวลาแล้วว่าโลกนี้เปรียบเสมือนราชรถอันวิจิตรอันคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาหมกอยู่ไมนะ่เพราะฉะนั้นคนเขาก็จะหมกอยู่ในโลกนี่แหละไม่ดินรนออกจากสิ่งที่เป็นของสมมุติของฉาบทานะแต่ความจริงคือความทุกข์กลับมองไม่เห็นนะ ความจริงเนี่ยคือความทุกข์ไม่พยายามมองแล้วก็ไม่ไม่ตั้งใจมองแล้วก็คอยอ่าหลบเลี่ยงอีกต่างหากนะเนี่ยมันเป็นความที่เรียกว่าเราประมาทจริงๆในชีวิตเรานะครั้นี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วนะเราจะทําอย่างไรที่จะให้ออกจากกองทุกข์การที่จะออกจากกองทุกข์นั้นนะก็เกิดจากการที่เราอาจเจริญในมรรคมีองค์แปดอันได้กศีล ส, สติสมาธิปัญญานะ คือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พระเจ้าได้ส่งคนพบด้วยตัวเองนะท่งได้เดินในทางนี้มาแล้วแล้วก็เห็นว่าเออผู้ใดเดินตามทางนี้แล้วก็จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะศีลนะเราก็ต้องเริ่มต้นอีวศีลนะเราต้องมีศีลห้าเป็นเบื้องต้นก่อนนะแต่สาหรับผู้ที่รักษาศีลสูงขึ้นไปเช่นศีลแปดศีลเก้าศีลสองรอยิบเ็ ก็ต้องรักษาให้สมบูรณ์ในแต่ละศีลที่เรารักษาผู้ใ ด, ดที่รักษาศีลได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความปกติมีความพื้นฐานที่ใจจะรองรับในการจเจริญสติสมาธิและปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นศีลนี้จึงเป็นพื้นฐานจะขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกระวังรากฐานของของตึกศีลนี้เป็นรากฐานของตึกเลยนะถ้าไม่มีศีลนี่ถือว่า ไม่มีรากฐานตึกแล้วเนี่ยต่อไปเราไปวัดไปก็จะล้มได้ง่ายๆนะล้มได้ง่ายมากเลยแล้วก็ไปบัติก็ไม่ค่อยจะเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีศีลห้าศนะีลแปดศีลนะสองร้อย่สิบเอ็ดก็ต้องรักษาในตรงนั้นให้ดีนะไม่เช่นนั้นนะเราก็จะไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมการที่เราต่อมานะก็คือสตนะิที่เรามาเจริญกันนี้สตินี้ ทำไมต้องมาเจริญสติการเจริญสตินั้นชื่อว่าเราได้ขจัดซึ่งความหลงแล้วนะเพราะอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าความหลงนี้คือหัวหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายนะหรือของความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองนะเพราะเราหลงเราจึงไหลไปในความโลภความโกรธการที่เราหลงนั้ น, นเกิดจากการที่เรารู้ไม่เท่าทัน นะกายและใจของเราเป็นหลักนะส่วนใหญ่นะี้เราเราจะทำอะไรก็ได้ความเคยชินนะทำด้วยความเคยชินทั้งนั้นนะนะเราแม้แต่เร า, าจะกินข้าวเราก็ทำด้วยความเคยชินเราไม่ต้องคิดอะไรเลยกินข้าวนี่เป็นความเคยชินที่อัตโนมัตินะเราจะซักผ้าก็ซักด้วยความเคยชินเหมือนกันนะแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้านะกวาดบ้าน ทั้งหลายแหละกิจวัตรประจําวันส่วนใหญ่เราทําด้วยความเคยชินทั้งนั้นความเคยชินนั้นเป็นสิ่งเราสะสมมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะมันเป็นความที่เรียกว่าเราสามารถที่จะหลับตาทําก็ยังได้นครณะนี้ความเคยชินนั้นนะจริงๆแล้วนั่นแหละคือความหลงนั่นเองนะเราไม่รู้หรอกว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะไม่รู้เลยนะนะตอตอนที่เราขณะนี้เรากําลังอ่าทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะ ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่มันชื่อว่าเราหลงแล้วทั้งทั้งหมดนะยกตัวอย่างเช่นขณะนี้ถ้าเรายกมือสร้างยวะอยู่นะแต่ถ้าเราคิดเป็นในเรื่องอื่นเราไม่รู้ว่าขณะนี้กลังยกมืออยู่เราก็ชื่อว่าเราหลงแล้วนะเพราะนั้นความหลงนี้มันจะเป็นความเคยชินของเราวิธีการามาเจริญสติก็คือกลับมารู้นะในปัจจุบันนะทมนั่นเองนะว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ บบเช่นเรามีความคิดไปเยอะแยะเลยนะเราจะคิดไปในเรื่องต่างๆมากมายเราจะรู้เรื่องที่เราคิดนะออขณะนี้ที่บ้านเรากาลังทำอะไรอยู่เพื่อนเราจะไปเที่ยวไหนญาติพี่น้องเรากาลังทาอะไรอยู่เรารู้เรื่องที่เราคิดแต่ความคิดนั้นมันก็ยังไม่หยุดนะมันก็ยังคิดอยู่นั่นแหละแต่เมื่อใดที่เรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังคิดอยู่ความคิดนั้นจะดับไปทันทีดับเลยนะอ่า ไม่ต้องรู้ว่ากําลังคิดเรื่องอะไรหรอกแต่รู้ว่าขณะนี้กําลังคิดเท่านั้นเองนะความคิดก็จะดับไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลับมารู้ในปัจจุบันธรรมว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นั่นเองเนาะหรือถ้าเรายกมืออสร้างยังหวะเราก็กลับมารู้ว่าขณะนี้กําลังยกมือนะมีการเคลื่อนไหวมีการกระทบมีการหยุดเราก็รู้ในสิ่งเหล่านั้นเนะี่ยแค่นี้เท่านั้นเองนะ ก็คือกลับมารู้ในปัจจุบันธรรมนั่นเองพารู้ในปัจจุบันธรรมแล้วนะจิตที่มันไหลเข้าไปในอดีตไหลเข้าไปในอนาคตที่เรียวกว่าเป็นความฟุ้งซ่านหรือความหลงก็จะหยุดทันทีมันกลับมารู้ในปัจจุบันทันทีนะเหมือนกับรถที่กําลังวิ่งไปนี่แหละวิ่งไปไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางทางทา ง, ทางไหนแต่เมื่อหยุดรถปั๊บรถก็จะหยุดอยู่กับปัจจุบันทันทีเลยนะก็คือกลับมารู้ขนาดนี้เออเรากําลังขับรถอยู่ กำลังหยุดลดอยู่นะแต่เราขับไปเรื่อยๆมันก็คือความหลงอย่างหนึ่งนั่นเองเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเรารู้ในขณะนี้ว่าเรากําลังทําอะไรอยูนะ่ถ้ารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้แล้วนั่นแหละคือปัจจุบันทำแล้วนะแต่ปูนใหเราก็จะไม่รู้หรอกนะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ยก็แล้วแต่มันจะหลงทั้งนั้นนะหลงไปในอดีตอนาคตทั้งนั้นเลยเป็นความคิดที่เรารู้ไม่เท่าทัน กลับมารู้สึกตัวแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบันได้เองพอเราอยู่กับปัจจุบันแล้วน ะ, ะการประทับของเรานี่มันจะเริ่มสังเกตเห็นความคิดแล้วนะว่าจากเมื่อก่อนที่เราเคยคิดไปมากๆคิดไปต้องไหลเรื่องค่อยรู้รู้ทันแต่เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วนะความคิดไหลไปไม่นานก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเครื่องอยู่ของจิตนั่นเองนะ เครื่องจิตของอยู่คืออะไรเครื่องจิตเครื่องอยู่ของจิตคืออะไรก็คือความรู้สึกตัวนะใหม่ๆนี้นะเราก็า จ, จะสร้างขึ้นมาเองก็ได้อย่างเช่นที่เรามาฝึกกันนี่แหละมีการเดินจงกรมสร้างยังบ่าอันนี้ชื่อว่าเราเริ่มสร้างให้มีปฏจจุบัตนธรรมเป็นเครื่องอยู่นะโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกายอาศัยการเดินอาศัยอิบททั้ง4ี่อิบทย่อยต่างๆเป็นเครื่องรู้ เมื่อจิตมีเครื่องรู้อยู่แล้วนะมีเครื่องรู้ก็คือเครื่องที่ผูกให้จิตนี้อยู่กับปิบันพอจิตไหลเขาเ้าไปในอดีตหรืออนาคตเราก็รู้ได้ทันทีนะเพราะเรามีเครื่องรู้ของจิตอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะเพราะปกตินี้เราก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะมีการยืนได้นั่งนอนดื่มกินพูดคิดทั้งหลายเหล่านี้อยู่แล้วเราเพียงแต่ กลับมารู้สึกว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะอาศัยการเคลื่อนไหวนี่แหละกลับมาเป็นเครื่องรู้นะก uh, ลับมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าให้จิตนั้นเข้า uh, ได้รับรู้ในการเคลื่อนไหวตรงนั้นเท e ่านั้นเองนะ <S 2> <S 2> อย่างที่เรายกมือก็คือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ไหมนะพอใจรับรู้ก็อยู่กับปัจจุบันเลยนะเพราะฉะนั้นคาว่าอยู่กับปัจจุบันก็คือ เมื่อมีการเคลื่อนไหวของกายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะยืนเดินนั่งนอนจะคู่แขนเหยียดแขนต่างๆก็คือให้ใจรับรู้นั่นเองเมื่อใจรับรู้แล้วก็จะมีสิ่งนี้ถูกรู้นะสิ่งที่ถูกรู้ก็คือการเคลื่อนไหวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมานะเวลาเราเคลื่อนไหวมือก็คือมือที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะแล้วก็มีเราเป็นผู้รู้อยู่นะมันจะมีผู้รู้อยู่อนะสักตัวหนึ่งนะ มันจะสามารถที่จะแยกออกมาว่าเออขนาดนี้นะเรากําลังเดินนะการเดินนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะเราก็เป็นผู้รู้อยู่นะตรงนี้ถ้าเราทําไปอ่านะมันจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นมีมากมายนะในชีวิตประจําวันของเราเยอะแยะเลยนะอ่านะตั้งแต่ตื่นนอนเด็เข้านอนนี่มันทั้งวันอยู่แล้วนะในรูปแบบนอกรูปแบบมันมีแต่สิ่งที่ถูกรู้ตลอดเวลานะตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็น เสียงต่างที่มันเริ่มแยกออกจากกันนะระหว่างรูปหน้านามต่อไปนะเราจะเริ่มเห็นความที่มันแยกออกกันจากการที่เราเป็นผู้รู้และมีสิ่งถูกรู้นั่นเองนะจิตก็ค่อยๆที่จะสะสมะการที่เขาตื่นรู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะการที่เราจเจริญสติโดยการขึ้นไหวนี้ไม่ใช่เราทําให้จิตสงบ เพราะนั้นถ้าใครที่ตั้งประเด็นผิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะหรือเดินจงกรมในครั้งนี้แล้วจิตจะต้องสงบนะหรือตั้งวิบากแล้วจิตจะต้องสงบอันนี้ถือว่าเราตั้งประเด็นผิดแต่ว่าการที่เราเจริญสตินั้ น, นเป็นการปลุกท่านรู้ให้ตื่นขึ้นมานเป็นการเขย่าท่านรู้นั่นเองนะท่านรู้เกิดขึ้นตรงไหนเกิดจากการที่เขาคิดแวบไปนะแล้วเราก็รู้ทัน เนี่ยแค่นี้จิตจะตื่นเลยนะคือเข้าไหลปั๊บเนี่ยเรารู้เนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งนะแล้วเขาเข้าไหลไปเราก็รู้ทันอันนี้อเราก็ได้อ่าสติก็ตื่นมาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นสองคะแนนแล้วนะคะแนนตรงนี้มันจะทําให้ว่าเราสามารถที่จะสังเกตได้ว่าขณะ น, นี้อจิตมันจะไหลไปแล้วเราก็รู้ทันจิตไหลไปก็รู้ทันนี่แหละมันได้คะนนในตรงนี้ ก็คือจิตเขาเคลื่อนไปแต่เรารู้ทันเนี่ยจิตเนี่ยตื่นขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะเป็นการเขย่าท่านรู้เป็นการปลุกท่านรู้ให้ตื่นขึ้นมาจิตที่มีกําลังนะจะเป็นท่านรู้ที่เขาจะตื่นขึ้นมาได้อย่างค่อนข้างที่จะถี่และบ่อยนะเขาจะสังเกตการที่ความคิดนี้คิดได้บ่อยขึ้นนะเพราะบางคนปฏิบัติธรรมแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราคิดเยอะขนาดนี้นะเราอยู่บ้านไม่เห็นจะคิดเยอะขนาดนี้เลย แต่มาเจริญสติที่นี่มันทำไมคิดเยอะอันนี้สแสดงว่าเราอาจจะเริ่มเห็นความคิดแล้วความคิดที่เขาไหลไปเราก็เริ่มเห็นความคิดที่ไหลไปก็เริ่มเห็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสตินะเป็ น, นสติเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกนั่นแหละเราคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนั้นยังไม่ไม่ใช่สติเพราะเพราะว่าอันนั้นเขาเรียกว่าเราหลงหรือว่าเป็นความคลุ้งซ่านแต่ถ้าเรารู้ว่าขนาดนี้เราคิดปั๊บเนี่ยความคิดหยุดเลยอันนี้ก็เป็นการอันนี้ก็เรียกว่าสติเพราะสติคืออะไร ในหนังสือน้าวกว่าบอกว่าทำที่มีอุปกรณมากในมี2อย่างคือ1คือสติคือความระลึกได้ 2. สัมชัญญะคือความรู้ตัวสตินั้นก็คือความระลึกได้นั่นเองนะระลึกได้ว่าอะไรระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะระลึกได้ว่าขณะนี้กําลังรักกำลังชังกำลังโกรธกาลังเกลียดนะระลึกได้ว่าขณะนี้กําลังสร้างยังวะอยู่นะกำลังฟังนะกำลังนั่งอยู่ก็คือการระลึกได้นั่นเอง เพราะนั้นการที้เราระลึกได้ว่าขณะนี้เราคิดไปแล้วนี่แหละคือสติแล้วนะเออ่ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วเราไปหาสติอยู่ตรงไหนเดินตามหาสติอันนั้นก็ไม่ใช่แต่แค่เราระลึกได้ว่าขณะนั้นขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่หรือขณะนี้เราลังคิดไปแล้วนี่แหละคือสติมันจึงเป็นการสะสมความที่เรียกว่าตื่นรู้ไปเรื่อยๆ เหมือนที่หลวงมาเพ็หลวงมาเทียน ไ, ได้เคยพูดด้วยว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะหลวงมาเทียนก็บอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดะแล้วก็บอกยิ่งคิดก็ยิ่งรู้เพราะนั้นวิธีการนี้ก็จึงไม่ได้ไปห้ามความคิดแต่ก็เข้าคิดก็ปล่อยเขาคิดไปแต่ว่าเมื่อเขาคิดแล้วเราจะรู้ทันไหมเนี่ยตรงนี้มันจึงเป็นประเด็นในตรงนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าคิดไปร้อยครั้งแล้วเรารู้สักเก้าสิบครั้งนี่โอ้แสดงว่า เราได้เก้าสิบันแน้แล้วนะจิตมันตื่นถึงเก้าสิบครั้งเลยแต่เราคิดร้อยครั้งเรารู้แค่สิบครั้งก็แสดงว่าเราไม่รู้ถึงเก้าสิบครั้งนั่นเองนี่มันก็เป็นสิ่งน้อยไปเราก็ดึงสังเกตได้ว่าเรารู้เท่าทันความคิดได้เร็วขึ้นการที่เรารู้เท่าทันความคิดได้เร็วขึ้นนะั่นแหละเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันจะไปทาให้เราเห็นอารมณ์ต่างๆได้ด้วย อารมณ์ต่างๆนั้นเกิดจากความคิดนั่นเองนะความคิดที่ไปปรุงแต่งต่ออย่างเช่นเมื่อกี้ก็ได้บอกไว้แล้วว่าความทุกข์เกิดจากรูปรดกลิ่นเสียงผลทพัทธภาภามลลมหรือตาหูจมูกจ่ายใจเช่นมีคนเข้ามานินทาเรามาด่าเรานะจริงๆแล้วนะั้นถ้าเขาด่าเราแม้แต่ด่าเราต่อหน้าหรือรับหลังก็แล้วแต่ถ้าเราได้ยินหรือเรารู้ในขณะนั้นถ้าเรารู้เฉยเฉยไม่คิดอะไรนะมันจะไม่ไปปรุงแต่งต่อมันจะไม่โกรธ แต่เมื่อเรารู้เราได้ยินนะจิตก็จะปรุงแต่งต่อนะว่ามีเหตุผลต่างๆมากมายนะทำไมมาด่าเรามาว่าเรา ม, ามานินทาเราเราไม่ไทาผิดสักหน่อยนะหรือไม่รู้หรือว่าเราเป็นใคร <c oughs> จิตที่ไปปรุงแต่งต่อเป็นความคิดต่อไปนั่นแหละคือมีความมีความคิดขึ้นมารู้ไม่ทันไปปรุงแต่งต่อเป็นอ่า ไปในความคิดต่างๆเป็นความโกรธไปมันก็กลายเป็นพื้นฐานของความโกรธจากการที่รู้ไม่ทันความคิดและความคิดนั้นไปปรุงแต่งต่อ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบต่างๆในอายรนาคทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อกระทบแล้วมีความคิดเกิดขึ้นแล้วความคิดไปปรุงแต่งต่อมาเป็นความพอใจไม่พอใจ นั่นแหละมันก็จะนําความทุกข์มาให้เราอย่างที่กล่าวตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นจิตที่ตื่นตัวรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นแล้วเข้าไปปรุงแต่งต่อได้นะเราไม่ห้ามแต่ว่าเรารู้เท่าทันได้ไหม <c oughs> มีใครมาด่าเราเขาสามารถคิดได้แต่เรารู้เท่าทันไหมว่าขณะนี้กําลังคิดอยู่นะเมื่อรู้เท่าทันขณะนี้กําลังคิดแล้วเนี่ยแค่ต่อไปเราจะทำอย่างไร <c oughs> การนี่เรารู้เท่าทันความคิดแล้วต่อไปจะทำอย่างไรนะอันนี้เป็นประเด็นสาคัญเลยนะประเด็นต่อมาก็คือเขาสามารถที่จะคิดได้แต่ว่าให้เรารู้เฉยๆก็พอแล้วนะเราห้ามก็ไม่ได้หรอกความคิดเราห้ามก็ไม่ได้แม้แต่ความโกรธความรักความชังก็ห้ามไม่ได้แต่เมื่อเกิดความคิดหรือความรักความชังความพอใจไม่พอใจสิ่งที่ต้องทาต่อมาก็คือรู้เฉยๆ รู้เฉยๆก็พอแล้วนะทุกๆอการมณ์เมื่อรู้เฉยๆแล้วเนี่ยจริงๆก็คือการไม่ให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะ <c oughs> อย่างที่ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าใครเขามาด่าเราถ้าเราไม่คิดต่อจะทําอย่างไรไม่คิดต่อ <c oughs> ก็คือการที่เรารู้เฉยๆก็พอแล้วนะรู้เฉยรู้เฉยๆก็คือการไม่ให้ค่าหรือสักได้ว่านั่นเองนะเ <c oughs> พราอเรารู้เฉยหรือสักได้ว่านี่แหละ มันจะมีกำลังนะมีกาลังในการที่จะทำให้เขาดับไปเองนะอันนี้ไม่ใช่ไปการผักใสนะนะไม่ใช่ว่าโกรธปั๊เออทำให้เขาดับไปอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นนใรู้เฉยแต่ว่าเมื่อมีความโกรธเป็นต้นเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้เฉยก็พอแล้วนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะคราวนี้คนที่จิตมีกำลังนะก็สามารถรู้เฉยเฉได้แต่ละคนที่จิตไม่มีกำลังจะทำอย่างไร ก็คือกลับมารู้สึกตัวนั่นเองนะกลับมารู้สึกตัวก็คือเปลี่ยนจากาความคิดมาเป็นความรู้สึกแทนนะความรู้สึกทางกายนะเช่นกระทบอารมณ์ในขณะปัจจุบันนี้มีใครมาด่าเราเราก็มันไม่มีกาลังเราก็มาขยี้นิ้วเล่นก็ได้นะคลึงนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาแต่ไม่ต้องไปทาต่อหน้าเขานะเดี๋ยวเาก็จะ ง, งงเอ๊ะทำอะไรนะแล้วก็เอามือแวงหลังแล้วก็ออคลึงนิ้วก็ได้นะ เป็นความรู้สึกตัวมันก็ดับไปเพราะเราลุยเฉยได้นะอการรู้ตัวมันก็ลุยเฉยได้เป็นเทคนิคลวงปรอเทียนอย่างหนึง่งให้ลุยเฉยหรือรู้ซื่อๆนั่นแหละตรงนี้ถ้าเราลุยเฉยแล้วได้แล้วนะทุกอย่างมันจะดับไปเลยมันไม่ไปไปรุงแต่งต่อนะมันไม่เข้าไปในความคิดนะเพราะฉะนั้นรู้เฉยๆนี่เป็นสุดยอดของธรรมะเลยนะ เมือนอย่างที่พระพายะเนี่ะในสมัยหนึ่ง่ะท่านก็ขอฟังธรรมจากพุทธเจ้าขอถึงสามครั้งพุทเจ้าจึงแสดงธรรมให้ฟังบอกว่าพายะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละพอพระพายะได้ฟังเท่านี้ก็บรรลุเป็นพระหรหันต์เลยนะ คำว่าสักแต่ว่าคืออะไรก็คือการลูยเฉยนั่นเองนะคือการที่เราไม่ไปให้ค่าในเสียงต่างที่มากระทบอทางตาทางหูเป็นต้นเมื่อไม่ให้ค่าแล้วหรือลุยเฉยแล้วหรือสักแต่ว่าแล้วตรงนี้เขาก็จะดับไปเลยนะอะไม่ต้องไปผักใสไม่ต้องไปติดอารมณ์ไม่ไปผักใส่เขาแค่เราลูยเฉยก็พอแล้วจิตที่มีกําลังมีสติแล้วสามารถรู้เฉยๆได้แล้วเขาก็ในสุดเขาก็จากไป เพราะว่าอะไรเพราะสภาวธรรมทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเ <c oughs> มื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเขาอยู่ไม่ได้นานหรอกถ้าเราไม่ให้ค่านะเขาดับไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับ น, น้ํำเข้ามาเขาก็ผ่านไปนะน้ําที่ผ่านใบบอลเขาก็ผ่านอย่างรวดเร็วเขาไม่ติดนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆเขาก็ไม่ติดนะอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่อารมณ์แต่อารมณ์นั้น เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมากระทบจิตถ้าจิตไม่ไปกำอารมมาไว้อารมณก็จะจากไปอย่างรวดเร็วนะแต่ถ้าอารมเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตไปกำอารมมาไว้เขาก็ไม่จากไปเ้าอยู่ในใจเรานา น, านมากเลยนะบางคนอยู่กันนานๆก็ เ, เพราะว่าใจไปกำเขาไว้นะการที่เขากลับ ม, มาไว้เกิดจากอะไรเกิดจากตัวตนเรานี่แหละเขามาด่าเราเขามาว่าเรานะเขามานินทาเราเราก็โกรธนะ อ่าถ้าเรานั่งติดกับใครทักคนหนึ่งนั่งติดกันเลยนะอเขาด่าคนที่อยู่นั่งติดกับเรานี่แหละดาล่ารุนแรงขนาดนั้นเราก็ไม่โกรธพอเราดา่าอเขาด่าคนนี้เราก็เกิดโอ้นึกสนุกในใจนะโอ้ด่ามันมา ก, มากเราหัวเราะพอหวอัวเราะเราก็ดา่าอ้าหวหัวเราะทําไมพอด่าแล้วบุบเราโกรธทันทีเลยนะนี่มันด่าคนอื่นไม่ไ ม, ไม่โกรธกระทบเราเมื่อไหร่เราโกรธทันทีเลยนะตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ว่าเราปฏิบัติรำแล้วนะ เราต้องกลับมาเห็นพระไตรลักษ์ด้วยนะในความเป็นอนิจจังทุกขังนาตาความที่เรารู้เท่าทันความเป็นตัวตนนี่แหละเมื่อรู้เท่าทันความเป็นตัวตนแล้วนะมันก็จะละนะจากสิ่งต่างได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้ทันขณะนี้กำลังเป็นตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วนะมันจะไปยึดติดทุกทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าเราไปบัตรทำแล้วเรามาเห็นพระไตรลักษ์ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ให้ตัวไม่ ต, มตนความยึดมั่นถือมันก็จะน้อยลงนะ การปฏิบัติธรรมนี่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะเป็นขั้นสุดท้ายนะก็คือเป็นเป้าหมายนั่นเองว่าให้กลับมาเห็นเระไตรลักษณ์นะเห็นไหมจริงๆบางคนเริ่มเห็นแล้วนะ อ, อ่การปฏิบัติธรรมนี่มันไม่เที่ยงใช่ไหมเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีเมื่อเช้าดีตอนบ่ายไม่ดีมันจริงๆมันก็แสดงพมตไตรลักษณ์อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะการปฏิบัติธรรมนี่จริงๆเขาแสดงเมตไตรลักษณ์ให้เราเห็นตลอดเวลาเลยใช่ไหมโดยเพราะความไม่เที่ยงนี้แสดงตลอดเวลา ะเดี๋ยวปวดเมื่อยนี่เขาก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นแล้วใช่ไหมพอเดี๋ยวจิตมันคิดเองนะเดินเดินจงกลมอยู่คิดแวบไปนู่นแวบไปนี่ตรงนี้นะการคิดนี่เก้าสบเก้าเปอร์เซ็นตนะเป็นสิ่งที่จิตคิดเองที่เราตั้งใจคิดเองมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นท่านั้นเองสังเกตดูให้ดีนะเพราะฉนั้นจิตก็คิดแวบไปเรากลับมาเห็นไม่ว่าเออจิตจะทํางานเองนะไม่ใช่เราทํางานอันนี้ก็คือพระไตรลักษณ์แล้วนะเพราะเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้ เนี่ยมันจริงๆแล้วมันเห็นหมดเลยนะนิจังทุกขังาตาการบัตธรรมนี่จริงๆก็เพื่อเห็นพระไตรักเท่านั้นเองพอเห็นปั๊บเนี่ยจิตจะเกิดวิราคะเกิดการคลายออกจากความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นในตัณหาทั้งหลายเกิดการคลายออกในความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราพอเห็นพระไตรักแล้วจิตก็จะปล่อยก็จะวางนะพอจิตปล่อยจิตวางปั๊บตรงนี้แหะคือการบรรลุธรรมนะอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะถ้าจิตไม่ปล่อยไม่วาง ไม่เกิดวิราคะมันมันก็ไม่ไม่สู่การบรรลุธรรมนะตรงนี้จึงเป็นประเด็ดนที่สําคัญเลยเนา ะ, ะเพราะนั้นในตรงนี้นะถ้าบุไดเข้าใจใตรงนี้แล้วนะเราจะเห็นว่าจริ ง, รงๆแล้วเราไปบัติธรรมมันไม่ใช่เพื่อให้เกิดความทุกข์อะไรเลยนะบางทีเราโอ้เมื่อเมื่อวานไปบัตรดีมากวันนี้เราฟุ้งซ่านทั้งวันอันนี้ไม่ใช่เป็นความทุกข์นะนี่เขาแสดงพาไต้ลักแล้วเรากลับมาเห็นมาไต้ลักตรงนี้จะดีกว่านะไม่ไบัติเพื่อให้เกิดความทุกข์นะ เออมันต้องดีถาวร น, นะต้องดีทุกวันอันนั้นแหละแสดงเราหลงแล้วนะประบัติแล้วโอ้มันเมื่อยจังเลยมันง่วงจังเลยนี่เขาแสดงความทุกข์เราเห็นแล้วเรากลับมายอมรับไหมปฏิบัติแล้วโอ้ความคิดเยอะจังเลยทําไมคิดเยอะขนาดนั้นนี่เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้กลับมาเห็นพระไตรลักษณ์ไหมประเด็นในตรงนี้ถ้าเรากลับมาเห็นในตรงนี้นะมันไม่ปฏิบัตเพื่อความทุกข์แต่กลับมาเห็นความจริงเห็นสัจธรรมนะจิตที่เห็นสัจธรรมแล้วเขาจะคลายออกได้เองอเขาจะเกิดวิราคะ ก็จะ เ, เกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดตัเองนะนั่นแหละคือความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านาจจเจริญด้วยสติสมาธิปัญญาถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเถิด